บทที่39ในห้างทองหยดพันตำรวจโทชมจิตนารู้สึกผิดหวังที่ไม่ได้พบท่านพระครูเขาตั้งใจจะมากราบลาท่านเพื่อเดินทางไปรับตำแหน่งผู้บังคับกองสถานีตำรวจภูทร อ, อำเภอฉวอวดในอีกสามวันข้างหน้าพระมหาบุญบอกเขาว่าท่านพระครูไปนครราชสีมา ยังไม่ทราบว่าจะกลับเมื่อไรนายตำรวจวัยใกล้ห0ลาพระมหาบุญแล้วเดินไปยังรถจีปที่จอดอยู่หลังกุฏิครั้นเห็นรถแท็กซี่แล่นเข้าประตูวัดมาก็ภาวนาขอให้เป็นรถท่านพระครูรถแท็กซี่จอดห่างจากรถจีบราวห้าวากนายวิกโก้ลงมาเปิดประตูให้ผู้เป็นอาจารย์นายตำรวจดีใจนะัก รีบเดินเข้าไปคุกเข่าลงที่พื้นแล้วกราบท่านสามครั้งผมนึกว่าไม่ได้พบหลวงพ่อเสียแล้วกำลังจะกรับอยู่พอดีพูดอย่างปีติต้องได้พบสิถ้าตั้งใจมาพบก็ต้องได้พบวิโก้จำได้ไหมในี่ใครท่านถามสิ์ชาวต่างชาติในวิโก้ยกมือไหว้ในตำรวจและตอบว่าจำได้ครับ ผู้กองชนที่เป็นเจ้าภาพบวชให้กับผมผมไม่เคยลืมบุญคุณเห็นท่านคุยอยู่กับหลวงพ่อผมก็รอโอกาสที่จะทักทายถ้อยคำที่กล่าวบ่งบอกถึงความเป็นผู้มีมารยาทชาติผู้ดีของคนพูดแต่ตอนนี้ท่านเป็นสารวัตรแล้วตอนเป็นเจ้าภาพบวชให้วิโก้ท่านเป็นร้อยตำรวจโท ตอนนี้เป็นพันตำรวจโทท่านรุ่งเรืองในหน้าที่ราชการมากเห็นไว้ได้สองขั้นปีเว้นปีใช่ไหมคนเป็นนายตำรวจถูกถามใช่ครับเพราะความเมตตาของหลวงพ่อที่ทำให้ผมก้าวหน้าถ้าไม่ได้เป็นลูกศิษย์สมภารวัดป่ามะม่วงป่า น, นี้คงไม่ไปถึงไหนเขายกความดีให้ท่านพระครูท่านดีด้วยตัวท่านเองต่างหาก ทำกรรมแทนกันได้หรือเอาละอย่าคุยกันตรงนี้เลยเข้าไปในกุฏิดีกว่าแล้วจึงเดินนำนายตำรวจไปยังกุฏิที่พักนายวิกโก้ขนสัมภาระลงจากรถแล้วก็ส่งเงินให้กับคนขับรถห้าสิบบาทเป็นค่าสินน้ำใจนอกเหนือจากราคาที่ตกลงกันซึ่งเท่าแก่ร้านทองก็ได้จ่ายให้เขาครบถ้วนแล้วจากนั้น จึงเดินตามผู้เป็นอาจารย์ไปเด็กชายแดงกราบท่านพระครูแล้วหาน้ำมาถวายเจ้าสาวไปไหนเซล่ท่านถามหาคู่แฝดของเด็กชายเล่นกับคิมอยู่ที่สำนักชีครับเราผลัดกันเฝ้ากุฏิแล้วก็ผลัดกันไปเล่นกับคิมได้ยินชื่อคิมนายวิโก้เกิดอาการอยากจะดูหน้าลูกหากก็เกรงใจ ที่คนเป็นเจ้าภาพบวชให้ในายวิโก้เกิดอาการอยากจะดูหน้าลูกหากก็เกรงใจคนที่เคยเป็นเจ้าภาพบวชให้เขาเมื่อหลายปีก่อนท่านสารวัตรจะรีบกลับหรือเปล่าถ้าไม่รีบจะให้วิโก้เข้าไปอุ้มตุ๊กตามาให้ดู มาคราวนี้วิโก้เขามีตุ๊กตามาด้วยท่านพระครูพูดเหมือนรู้ใจผู้เป็นสิทธว่าเขากระหายใคร่พบลูกไม่รีบครับผมอยากมาคุยกับหลวงพ่อนานๆาในตำรวจตอบบุรุษจากต่างแดนจึงกราบท่านพระครูสามครั้งและเดินอย่างเร่งรีบไปยังสำนักชีนายวิโก้ลุกออกไปแล้ว สารวัตรชนจึงกราบเรียนท่านพระครูว่าผมได้รับคำสั่งให้ย้ายไปรับตำแหน่งที่อำเภอะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงมากราบลาหลวงพ่อครับอ้อแล้วจะเดินทางเมื่อไหรล่ล่ะมาเรื่องนี้ครับบุรุษวัยใกล้ห้าสิบตอบรู้สึกใจหายที่จะต้องจากพระภิกษุที่เขาเคารพนับถือและเรียกท่านว่าหลวงพ่อได้อย่างสนิทใจ ทั้งที่เขาอายุมากกว่าท่านอัตมาจะไปส่งส่งถึงที่อำเภอะอวดเลยท่านพระครูพูดขึ้นหลังจากใช้เห็นหนอเข้าตรวจสอบและรู้ว่าเขาจะต้องประสบความยุ่งยากหากท่านไม่ไปส่งตำรวจที่นั่งตรงหน้าท่านเป็นคนดีในแผ่นดินนี้คนดีหายากแต่ตำรวจดีหายากยิ่งกว่าเพราะฉะนั้น ท่านต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเพื่ออนุรักษ์ตำรวจดีเอาไว้ไม่ให้สูญพันในายวิกโก้อุ้มคิมน้อยเข้ามาตามด้วยนางลิลลี่และเด็กชายขาวนางลิลลี่กราบท่านพระครูสามครั้งแล้วไหว้พันตำรวจโทชนลิลลี่ภรรยาผมครับนายวิกโก้แนะนำอ้าวนี่คนไทยทำไมถึงชื่อฝรั่ง ในตำรวจพิศวงไม่ใช่คนไทยครับเป็นคนฟิลิปปินส์แต่มีเชื้อสายจีนชายหนุ่มอธิบายเห็นนายตำรวจยังไม่ใครสงสยัยท่านพระครูจึงพูดขึ้นว่าเรื่องมันแปลกนะท่านสารวัตรแปลกแต่จริงท่านยังจำได้หรือเปล่าตอนที่โบสถ์เก่าพังและอาตมาพบจารึกใต้พื้นโบสถ์ ในจารึกบอกว่าโบสถ์หลังนี้สร้างโดยพ่อค้าจีนชื่อกิมเหลียงกับกิมจือที่เข้ามาค้าขายกับคนไทยในสมัยสมเด็จพระนารายณ์และเขาก็ขอให้เพื่อนชาวฮอลันดาไปทูลขอพระพุทธ ร, รูปนาคปลกสององค์มาประดิษฐานไว้ชาวฮอลันดาคนนั้นก็คือวิกโก้คนนี้เรื่องการเวียนไหยตายเกิดเนี่ยมันมีจริงนะ ใครไม่เชื่อก็ต้องมาลองปฏิบัติกรรมฐานวิกโก้เข้าปฏิบัติจนสามารถพิสูจน์ได้ตรงกับที่อาตมารู้จริงไหมวิกโก้จริงครับผมก็สงสัยว่าเวลาที่ผมเห็นพระพุทธรูปสองอ ง, งนั้นทำไมถึงมีอาการแปลกๆรู้สึกปีติจนน้ำตาไหลแล้วก็รู้สึกผูกพันมากมาครั้งนี้ก็เลยนั่งกรรมฐาน ตรวจสอบดูจึงได้รู้ที่มาที่ไปตรงกับที่หลวงพ่อท่านรู้กรรมฐานทําให้สามารถระลึกชาติได้จริงที่หลวงพ่อว่าผมอัศจรรย์ใจเหลือเกินไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้ของดีในเมืองไทยนั่นสิคนไทยซสอีกไม่รู้ว่าเมืองไทยมีของดีอะไรท่านพูดเพราะรู้ว่าพัานตํารวจโทชนจินตนาก็ยังไม่รู้ว่าของดี นั่นคืออะไรแม้เขาจะเป็นคนดีแต่ก็ยังไม่รู้จักของดีของดีอะไรครับนายตำรวจถามแบบเดียวกับที่คนไทยทั่วไปถามและท่านพระครูก็ฟังมาจนชาชินอาตมาไม่บอกต้องมาเข้ากรรมฐาน สักเจ็ดวันแล้วจะรู้เองต้องมาเข้ากรรมฐานจึงจะรู้จักของดีที่ว่าท่านยำ้ำผมเสียดายที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อมานานแต่ไม่มีเวลามาเข้ากรรมฐานเลยอย่างเก่งก็แค่มารักษาอุโบสถในวันโกลวันพระเป็นตำรวจเนี่ยหาเวลายากครับหลวงพ่อสู้เป็นครูบาอาจารย์ไม่ได้ ปิดภาคเรียนก็พากันมาเข้ากรรมฐานเป็นตำรวจเนี่ยเสียเปรียบไม่เป็นไรหรอกกระเสียแล้วท่านจะให้มีเวลามาปฏิบัติแล้วก็จะได้รู้สึกตอนนั้นอดใจรออีกหน่อยท่านเป็นคนดียังไงยังไงก็ต้องได้พบของดีวันยังค่ำตอนนี้ก็ทำหน้าที่รับใช้ชาติไปก่อนท่านพระครูพูดปลอบใจในายตำรวจครับ ผมก็คิดอย่างนั้นหลวงพ่อพูดอย่างนี้ทําให้ผมมีกำลังใจอย่างน้อยก็รู้ว่าผมจะไม่ไปตายเสตที่อำเภอชะอวดเพราะที่นั่นเผอก็คอเยอะเหลือเกินเขาหมายถึงผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เพราะอย่างนี้แหละอาตมาถึงต้องไปส่งท่านถึงที่ท่านไม่ถึงขับจะต้องเอาชีวิตไปทิ้งที่นั่นหรอกแต่ต้องประสบความยุ่งยาก หากอาตมาไม่ไปช่วยแก้ให้ผมต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาที่จริงผมก็เกรงใจไม่อยากรบ ก, กวนเพราะหลวงพ่อมีงานมากต้องรับแขกต้องสอนกรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุขภาพผมทราบจากท่านผู้พิพากษาว่าหลวงพ่อเพิ่งหายจากโรคลำไส้เน่าไม่ต้องเกรงใจอาตมาหรอก อะไรที่ช่วยกันได้ต้องช่วยกันไปขณะที่สนทนากันท่านพระครูรู้ว่านางลิลลี่ฟังไม่รู้เรื่องจึงบอกนายวิโก้ว่าวิโก้บอกโยมลิลลี่ให้ไปปฏิบัติต่อได้แล้วไม่ต้องห่วงลูกเจ้าขาวกับเจ้าแดงจะดูแลให้นั่นเห็นไหมเล่นกันเพลินไปเลยนายวิโก้จึงส่งภาษาบอกภรยา นางลิลลี่กราบท่านพระครูแล้วว่าให้พันตำรวจโทชนจากนั้นก็ลุกออกไปผมชอบโบสถ์หลังเก่ามากครับไม่น่าพังเลยผมว่าโบสถ์หลังใหม่ยังสวยสู้หลังเก่าไม่ได้บุรุษจากต่างแดนเอ่ยขึ้น เมื่อภรรยาลุกออกไปแล้วจะสู้ได้ยังไงก็คนสมัยก่อนเขาสร้างด้วยจิตวิญญาณสมัยนี้จิตวิญญาณมันหดหายไปเพราะไปให้ความสำคัญกับวัตถุกันมากขึ้นต่อไปในอนาคตจะยิ่งแย่กว่านี้อ้าวนั่นในห้างทองหยดนี่ท่านมองไปยังบุรุษหนึ่งซึ่งกำลังเดินเข้ามาในกุฏิ นายทองหยดชลาธรกราบท่านพระครูสามครั้งแล้วไหว้พันตำรวจโทชนนวิกโก้ไหว้นายนทองหยดแม้จะไม่รู้จักกันมาก่อนในห้างมายังไงล่ะเนี่ยวิกโก้ในห้างทองหยดนี่แหละที่เป็นหัวเรียวหัวแรงในการสร้างโบสถ์หลังใหม่กำลังคุยกันเรื่องสร้างโบสถ์ในห้างก็มาพอดี ท่านทักทายพร้อมกับแนะนําลูกศิษย์ให้รู้จักนายทองหยดคงเป็นด้วยเหตุนี้กระมังผมทั้งร้อนอกร้อนใจอยู่บ้านไม่ได้ต้องมาหาหลวงพ่อสงสัยหลวงพ่อดนจิตดนใจให้ผมมาร่วมวงสนทนาด้วยท่านพระครูปแปลกใจที่เขาพูดเช่นนั้นจะต้องมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลเป็นแน่คนที่รู้สึกร้อนอกร้อนใจแสดงว่า เขากำลังมีเคราะห์ท่านจึงมองหน้าเขาเพื่อจะดูว่าเขามีเคราะห์อันใดเห็นหนาเห็นเนอนายห้างทองหยดมีเคราะ์อันใดหนอะท่านกำหนดนึกดูอยู่ในใจพลันก็ได้เห็นว่าในห้างร่างท้วมที่นั่งอยู่ตรงหน้าท่านนี้ไม่มีศีรษะท่านกระพริบตาหลายครั้ง ด้วยคิดว่าอาตมาตาฝาดไปแต่ภาพบุรุษตรงหน้าก็ยังคงประส จ, จากศรีศกรษะท่านจึงจัดการต่อให้เขาด้วยการบริกรรมในใจว่าสัมปฏิฉามิบริกรรมอยู่นานกว่าศรีศรษะเขาจะมาปรากฏดังเดิมเห็นคิริยาของท่านนายทางหยดจึงถามด้วยความแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอครับ หลวงพ่อจ้องหน้าผมแบบนี้แสดงว่าต้องมีอะไรผิดปกติในห้างกำลังมีเคราะห์อาตมาเห็นในห้างหัวขาดแต่ก็ต่อให้แล้วจำไว้นะอย่าออกจากบ้านไปไหนเป็นอันขาดให้อยู่ในบ้านจนครบเจ็ดวันแล้วก็ให้สวดมนต์ไหว้พระทุกวันก็ถ้าจะให้ดีควรมาเข้ากรรมฐาน ในห้างยังไม่เคยเข้ากรรมฐ า, านเลยนี่มาเข้าวันพรุ่งนี้เลยดีไหมท่านชักชวนด้วยความห่วงใยคงไม่ดีกระมังครับหลวงพ่อผมนั่งขัดสมาธิไม่ได้มันอึดอัดเพราะผมลงพุงอีกอย่างผมก็ปวดขาให้ผมสวดมนต์ไหว้พระอยู่กับบ้านดีกว่าเขาปฏิเสธอย่างนิ่มนวลตามใจ แต่ต้องเชื่ออาตมานนะอย่าออกนอกบ้านแล้วก็อย่าขับรถมิฉะนั้นอาจถึงตายเจ้ากรรมในเวรเขาตามมาทวงหนี่แล้วขอให้เชื่ออาตมานนะครับผมเชื่อหลวงพ่อจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดผมยังไม่อยากตายครับคนเป็นในห้างพูดอย่างรักตัวกลัวตายใครๆก็ไม่อยากตายทั้งนั้นแหละ แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องตายก็หลีเกเลี่ยงไม่ได้เกิดมาแล้วก็ต้องตายกันทุกคนไม่มีใครอยู่คร้ำฟ้าจริงไหมท่านสารวัตรจริงครับหลวงพ่อแต่ถึงจะรู้ว่าทุกคนต้องตายก็ยังกลัวตายกันผมเองก็กลัวตายครับลูกสาวคนเล็กของผมอายุได้ขวบเดียวไม่รู้หลงมาได้ยังไงคนโตตั้ง19แล้ว ท่านสารวัตรมีลูกกี่คนครับคนถามคือนายวิกโก้แปดคนคนโตโอายุ19คนเล็กอายุขวบเดียวผมยังไม่อยากตายเพราะห่วงลูกสาวคนเล็กแล้วคนเหนือนมอายุเท่าไรครับเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนมต่างแดนถามอีกอายุ13เป็นผู้ชาย ผมก็นึกว่าคนนี้เป็นคนสุดท้องเพราะลูกเจ็ดคนอายุห่างกันคนละปีและก็เกิดเดือนมีนาเหมือนกันหมดพอลูกชายอายุได้สิบอ็ดภรรยาผมก็ตั้งท้องอีกแล้วก็คลอดออกมาเป็นผู้หญิงคลอดยากกว่าพวกพี่ๆเรียกว่าลูกทังท้องคนนี้คลอดยากที่สุดแต่ก็เป็นลูกที่พ่อแม่รักมากที่สุด เพราะเป็นลูกสาวคนเดียวผมคิดว่าชาตินี้จะไม่มีโอกาสได้เป็นพ่อตาเสแล้วนายตำรวจพูดติดตลกวิกโก้อยากไปเที่ยวปักใต้ไหมมาเรื่องเนี้หลวงพ่อจะเดินทางไปส่งท่านสารวัตรที่อำเภอะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราชผมคงไปไม่ได้หรอกครับหลวงพ่อใจจริงก็อยากจะไปเพราะยังไม่เคยล่องใต้เลยแต่ผมมีโครงการขึ้นเหนือครับลิลลี่เ็าจะไปหาข้อมูลทําวิจัยเรื่องผีเรื่องอะไรนะนายทงหยดถามด้วยคิดว่าฟังผิดเรื่องผีครับคนตะวันตกเขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องผี ผิดกับคนตะวันออกโดยเฉพาะคนไทยทางภาคเหนือที่เขาเชื่อเรื่องผีลิลี่ก็าเลยเสนอโครงการไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อขอทุนมาทำวิจัยโชคดีที่มหาวิทยาลัยเขาอนุมัติทุนให้เราสองคนก็เลยได้มาด้วยกันที่วัดป่ามะม่วงก็มีผีนะถ้าเขาสนใจให้ไปสัมภาษณ์แม่ชีเขียวสิเพราะแกเคยสอนกรรมฐานให้ผีด้วย ท่านหมายถึงแม่กาหลงเหรอครับน่าสนใจมากผมจะช่วยเป็นล่ามให้เขาลิลลี่คงดีใจที่จะได้ข้อมูลจากวัดป่ามะม่วงด้วยเราสองคนโชคดีจริงๆถ้าผมไม่ได้เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อก็คงไม่โชคดีอย่างนี้เขายกความดีให้ท่านพระครูคงไม่ใช่เพราะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อหรอก แต่เป็นบุญกุศลของวิโก้เองนั่นแหละท่านพระครูพูดออกตัวหลวงพ่อครับผมเห็นจะต้องลามาเรื่องนี้ผมจะให้รถมารับหลวงพ่อไปขึ้นรถที่หัวลำโพงนะครับไม่ต้องรอกท่านสา ร, รวัตรอาตมาไปเองได้รถไฟออกกี่โมงละ่ะหกโมงเย็นครับถ้าเช่นนั้นผมจะรอหลวงพ่อ อยู่ที่สถานีหัวลำโพงนะครับตกลงอาตมาจะไปถึงที่นั่นให้ทันก่อนเวลารถออกนายตำรวจกราบผู้เป็นอาจารย์สามครั้งแล้วลุกออกมานายวิกก้ลุกตามไปส่งเขาถึงรถจิปที่จอดอยู่หลังกุฏิไหว้ผู้อาวุโสกว่าอย่างนอบน้อมขอให้ท่านสารวัตรจงเดินทางด้วยความปลอดภัยและสนุกกับการงานนะครับ เขาอวยใจให้พรเมื่อนายวิโกเดินกลับมาที่กุฏินายทองหยดก็ลาท่านพระครูกลับบ้างบรุดนั้นลุกออกไปแล้วท่านพระครูจึงพูดขึ้นว่าสองคนนี้กำลังมีเคราะห์แต่เป็นเคราะห์คนละอย่างหลวงพ่อจะต้องช่วยเขาสองคนรู้ไม่ว่าทำไมหลวงพ่อต้องไปส่งสารวัตรชนไม่ทราบครับ ชายหน่มตอบทำไมถึงไม่ทราบท่านตั้งใจยั่วลูกศิษย์ชาวต่างชาติเพราะผมไม่ได้เห็นหนออย่างที่หลวงพ่อเห็นนะครับทำไมถึงไม่ได้เพราะปัญญาบารมีที่ผมสั่งสมมายัางไม่เพียงพอที่จะได้กระมังครับถ้าอย่างนั้นก็ต้องเพียรพยายามให้มากวันหนึ่งจะได้แต่ผมไม่อยากได้หรอกครับหลวงพ่อ นี่ผมพูดด้วยความสัตย์จริงนะครับทำไมละ่ะใครๆก็อยากได้กันทางนั้นเพราะผมไม่อยากลำบากอย่างหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อต้องช่วยคนโน้นคนนี้อยู่ตลอดเวลาจนไม่มีเวลาพักผ่อนผมมีครอบครัวต้องรับผิดชอบถ้าเป็นโสดอย่างหลวงพ่อก็คงอยากได้เพราะไม่ต้องเอาเวลาไปดูแลภรรยาและลูกทำาไมหลวงพ่อต้องไปส่งสารวัตรครับ เพราะต้องไปช่วยเขาหน่าสิพวกตำรวจที่อยู่เดิมเขาคิดไม่ซื่อพากันยักยอกอาวุธปืนของหลวงแล้วไปวางแผนจะให้สารวัตรชนเซ็นรับมอบงานถ้าหลวงพ่อไม่ไปสารวัตรก็จะเซ็นแล้วก็จะมีความผิดฐานยักยอกของหลวงทีนี้เรื่องยุ่งยากก็จะตามมาหลวงพ่อจะไปคอยเตือนไม่ให้เขาเซ็นชื่อรับงาน จนกว่าจะมีการตรวจสอบกันเป็นที่เรียบร้อยเสียก่อนถ้าหลวงพ่อไม่ไปสารวัตรก็จะเสียรู้พวกนั้นแล้วในห้างล่ะครับทำไมหลวงพ่อจึงห้ามไม่ให้เขาออกจากบ้านเพราะเจ้ากรรมในเวรก็ตามมาทวงหนี้นาซีในห้างแกไม่รู้หรอกว่าเคยสร้างเวรสร้างกรรมอะไรไว้เพราะแกไม่เคยปฏิบัติกรรมฐานแต่ถ้าปฏิบัติก็จะรู้ แล้วเขาทำกรรมอะไรไว้ครับข้าเต่าหนาสิเรื่องนี้เกิดมาตั้งสิบกว่าปีแล้วสมัยนั้นแกมีเมียน้อยอยู่ที่ค่ายบังระจันโดยที่เมียแกไม่รู้จนป่านนี้เมียแกก็ยังไม่รู้ทีนี้พอแกไปหาเมียน้อยก็สั่งลูกน้องให้แกงเต่ามาให้กินพวกลูกน้องก็ไปซื้อเต่ามาจากตลาดแล้วก็เอาหินก้อนใหญ่มาทุบที่กระดองให้มันแตก เตามันก็ตายอย่างทรมานมันก็เลยอาฆาตอันที่จริงกรรมไม่น่าจะตกมาถึงในห้างเพราะแกไม่ได้เป็นคนฆ่าควรจะตกแกลูกน้องมากกว่าจริงไหมท่านทดสอบภูมิธรรมของสิทธิชาวต่างชาติตกที่ในห้างครับเพราะมโนกรรมและวจีกรรมเป็นของเขาแม้กายกรรมจะเป็นของลูกน้องพระพุทธองค์ตรัสสอนว่า มโนกรรมมีผลมีวิบากมากกว่ากายกรรมและวจีกรรมอันนี้พระพุทธพจน์รับรองนะครับมโนบุพังคข้ามารมามโนเศษฐามโนมยาหลวงพ่อทราบดีแต่ที่ถามเพราะต้องการลองใจผมใช่ไหมครับชายหนุ่มรู้เท่าทันอ้าวนี่วิโก้ได้เห็นหนอแล้วนี่นาะ ก็ไหนบอกว่าไม่อยากได้ยังไงล่ะท่านย้ายิ้มยิ้ม